โ อ, อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรววมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเพื่ออันดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคำย่างนีจิตวิจิตเป็นสมาธิเพราะคำว่าสมาธิต่วตั้งใจว่าเฉพาะเหตุใจเหตุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อทั้นทางสายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ เมื่วันนี้ได้กล่าวกันแล้วตามพระพุทธพจน์ที่อง์สมเด็จพระสมมาสุภูติเจ้า ว, ว่ า, าทิศินสิขาเป็นกําลังของพระโสนดากับพระศกิทาคาอาิจิตสิขาเป็นกําลังของพระอนาคามียอาทิปัญญาสิขาเป็นกําลังของพระอรหัตตผล นีถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมรกถึงผลใดโดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไวแต่ว่าเว้นจากปริโภและติไรชานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบในความรัก แต่เกอบไปในความโลภแต่กาะไปในความโรกรธแต่กอบไปในความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าเป็นอารมณ์ขอ้อดริิฉานคําว่าดีดิาันก็หมายความวไปขวางริฉานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางคือม่ขวางจากทางดีไม่ไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจะกลายข้อรีดิาัน ใจคิดเป็นใจของดิดริชานวาจาก่าวเป็นจิติชานในกาถาเป็นวาจาของเดริชานาการทำแปลการของเดริชานใช้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการของเดริชานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการติดทางจิตคนดีทางวาจาคนดีทางใจคนดีจงอย่ามีในสมนักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นใ้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสําคัญ และให้ทรงพรมวิหารสีมีอิทธิบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องไปพุทธปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนคเรียกว่าสัตว์นาบายกูม ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีและคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทาใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศินสิกขามีสินเป็นปกติคนที่เขามีสินนี่เขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่น ith, เพราะว่าเขามองหาความเลวเของตัวเป็นสาคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็ามากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เล ว, ลเลวนี่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็การติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบในนัยแล้เราควบคุมศิลสิ่งที่เรามีเท่าไหร่ ทำแฝงมันครบธรรมะมีเท่าไหร่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้ครบอารมณ์มิปัจฉนายานมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอืน่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แกบุครรคลอื่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุครรคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แกตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทำคนอื่นเห้เมีอารมณ์รเราร้อนเราก็จะรับอารมณ์เราเร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าผู้ชาละปฏิผู้ชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชายมด้ดยการบูชาตอบผู้ไหวยัมใดยยววยตอบถ้าเรามีโทมิหัรสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความร้อนร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกท่านจ ง, ยงพยายามควบคุมกำลังใจไปเพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ เพราะสถานนี่เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมมาเล้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยก ย, อย่องแต่คนดีนี่ใครหักปักใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจา้าใครดีก็ยกย่องส่งเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษ อย่าความดีเข้ามาบวกถือว่าทำความดีแล้วทำความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ดา่าไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกำลังใจของาะไรเข้าถึงพระสดาปติลเพรารมถึห่งพระสูตรดาปฏิผล น, น, น, นี่ความจริงมันเป็นหญ่าปากคอกแล้วพูดเกง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสำหรับผู้ใหญ่เราบวดถึงเข้ามาแล้ว เวลานานพอสมควรทําไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้มีพูดสําหรับคนชั่วสําหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากอี่รู้ว่าลมชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยาเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้ นี่เราจะปราบความโว่วของเราอะไรก็ทรงพรหมีหานสีไว้เป็นสําคัญถ้ามีพรหมีหานสีแล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันท่านบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คําที่จะเคารพจริงๆและการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสิ่ให้บริสุทธิ์ ไม่ทํากายทุจริตวัจีทุจริตมันโลทุจริตให้เกิดขึน้นทรงกายสุจริตทรงวัจีสุจริตทรงมันโลสุจริตให้เกิดขึน้นนี่เป็นจริยาของครวูวัดหรือของพระสําหรับพระเนรในมีศีลมากอยู่แล้วก็วไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเรียบเทียบกับสติฉานสู้สติฉานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีการเคารพในพระพุทธธรรมสงค์และมีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอาทิสินะสิกขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากระสิฐาคารนีเมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปลารลเป็บอกว่าประการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริบมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในวระธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณาณสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้บนปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว ถ้าเราจะตายให้มันดีเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีแต่เพราะว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนีพเบโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่เหา่านี้ยักยังอยู่ในขอบเขตของสิงมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จะทรงประสูิดาบันอันนี้ถ้าใครใครมาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าปสูดดาบันเนี่ยไม่ต้องตรงสมาธิหรื อ, อยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าปสูดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นก็ถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเขาไว ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเป็นผู้ทานวุสติกรรมฐานประรบคุณความดีของพระธรรมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติกรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านาานึกถึงท่านเขาวัยอย่างนี้เป็นสังคารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระ毗ชิตมานทรงมอบให้แนะนําสั่งสอนเราเระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปราบกฏอยู่ว่าอยู่ครบโ้ษไดีดีอย่างนี้เป็นศีลานุสติธรรมฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดนไหวาการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมานรู้สติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยาการปกติหรือตายด้วยอุบัติเหตุก็ตามก็ชื่อว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดเพราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาตได้ของสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งพุทธานุสติ สอธรรมมานุสติสมสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปส ม, มานุสติหกโมดนานุสติในการเจริญพระกรรมฐานพร้พอมๆกันเขาทํำยังไงในการที่จะเป็นพระโสูดาบนันมีกฎบังคับว่ า, าท้าลมจิตต่ํากว่าปฐมวชารจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าวไปได้ อย่างเร็วที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้แต่ยามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ นีอารมณ์ปฐมพันธ์ชันเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมพันธ์ชัยชก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติทั้งหกอยูตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระอริานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่บุคคอืน่นจะไปยุ่งเนื่งจริยาของ บ, บุคคลอืน่นจะไปยุ่งด่ากายของ บ, บุคคลอืน่นจะไปติโ น, น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการพนองตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสําหรับคนดีแบบเฮ็ดมีความจริงแระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตนเป็นพระเด็ก ถ้าเป็นพระก็เรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นคราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้ า, ารมงเขาเราซามรองปเายไปกว่าพระโสดาบันละ่ะถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดิเรกฉานปัดถ้าฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนานแน่นไปเลยกิเลสเป็นพารลชนคนโงู โง่ก็ไรโงเขาไม่คุมความดีไม่สร้างไห้หายความสุขให้เสียตนทั้ ง, ทงนี้คือพระบาคนที่เข้าถึงพระโสดาบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมองคลตื่นข่าวคําว่าไม่ถือมองคลตื่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลือที่น่นดีไปที่น่นที่มีดีมาที่นี่คนที่สุดหาดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก มีอารมณ์ไม่แน่นอนมีทัติไม่โกรธอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริ่มรับพระโสดาบันนะอยูที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงตรง่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตพระโรสษษะโดาบันยอมรับย่อมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ไดไ้ใช่ไม่นังนน่งนับถือตัวบุคคลว่าพราะองค์นั้นสอนดีพระอนี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่าทนถือว่าเป็นศาสตร์กิจบทุตถาจรรยาธุษฐ์ฉะนั้นท่านที่ถึงบระโสดาบันแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสา ม, มาวดี เมื่อพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท้าเธอยะส่งขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนาสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระรุกศรไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาต่อผิดได้ก็อมองฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอขมาตรงพระพุทธเจ้านี้ท่านเรียกว่าขอก็ขมาตมีดาก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อดะงนั้นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติพระกรรมฐานจงอย่านำความเลวเข้ามาไว้ในจิตพริสุทริ์ทราบ ว่าสำนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลว อ, อยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบุคคลผู้ใดทำความดีเพียงใด น, นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว อย่าความชั่วเขามากู้ความความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้รเราก็จะเจ้ากองปฏิบัติอย่างนั้นดะงนั้นขอท่านทั้งหลายถ้าปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันนี้ใครปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเลวเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมาดาและการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงอุปาณิพนั์เป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตายกีเล ก, ก็ไม่มีความสำคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักนอกขอบเขตของศีล อยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครท ร, รมาให้ ก, กิงตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไป็ขอ ง, งง่ายๆยากปากพอกเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อ น, นี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้ก็ส่งความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่คลองผ้าขาสาวพัดสาหรับปัญญาท่านพุทธบริษัทที่พป็พระว่าก็ขอยกย่องว่าท่านสงความนี้ได้จักก็เป็นความดีแล้ต่อจากนี้ไปขอทำอย่างไรโปรดตั้งกจส่งดํำรงจิตให้มัน กำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาสาัยจึนกว่าจะได้ยินส้นญาณบอกหมดเวลา